การทำบุญคนเดียวเหมาะสำหรับคนโสดพึ่งโดนทิ้งหรือต้องการเพิ่มความเข้มแข็งทางจิตเฉพาะบุคคลแต่ไม่เหมาะกับคู่รักหรือคนในครอบครัวที่ควรพาไปทำบุญร่วมกันเป็นประจำให้สังเกตแม่บ้านที่ชอบไปทำบุญคนเดียวนะครับมักมีปัญหาครอบครัวได้ง่ายทั้งลูกดือ้อผัวมีเมียน้อยทำความดีจะเกิดคลื่นพลังบวกมัวเมากิเลสจะคลื่นพลังลบกระจายแผ่รอบตัวพลังงานที่ต่างกันจะผลักกัน จะทำให้รู้สึกไม่ลงรอยกันจึงไม่แปลกที่ลูกกับผัวจะเบื่อขี้หน้าแม่และเมียได้ง่ายสั่งสอนบอกอะไรก็ไม่อยากฟังคนชั่วอยู่ใกล้คนชั่วและสดชื่นมีความสุขลูกจึงไปมั่วกับเพื่อนชั่วผัวก็ไปร่าเริงกับผู้หญิงที่ชั่วพอกันเป็นการจำแนกคนแต่ละกลุ่มโดยธรรมชาติไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเลวจะคบกับคนเลวเท่านั้น การพาคนในครอบครัวหรือคู่รักไปทำกิจกรรมกุศลร่วมกันบ่อยๆจะส่งให้เกิดสายใยบุญผูกใจไว้เมื่อมีพลังบุญเท่ากันอยู่ร่วมกันจะอบอุ่นมีสุขทำอะไรถูกคอถูกใจไปหมดการพาไปทำบุญยังเดาได้ว่าเป็นคู่บุญหรือคู่เวรมาก่อนโดยมากคนเป็นคู่บุญมาก่อนมักชวนทำบุญโดยไม่ต้องบอกหรือต้องบังคับทำได้ราบลื่นต่างกับคู่เวร ที่ชวนไปยากอุปสรรคมากมีเหตุให้เจ็บป่วยรอดเสียหรืออาจผิดใจยังไม่มีสาเหตุทั้งก่อนและหลังทําบุญอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคู่บุญหรือคู่เวรมาก่อนอย่าลืมหลักที่ว่าดวงและทุกอย่างเปลี่ยนได้ด้วยกรรมปัจจุบันคู่บุญที่ไม่ชวนกันทําบุญไม่นานอาจกลายเป็นคู่เวรคู่เวรที่กรรมเล่นงานให้ต้องมาครองคู่เพื่อทําร้ายกัน หากตั้งมั่นร่วมทำความดีอย่างสม่ำเสมอก็เปลี่ยนเป็นคู่บุญครองคู่อย่างมีความสุขได้ไม่ยากหลักของการทำบุญแก้กรรมคือจิตที่สำนึกผิดและยอมรับว่าทุกข์ที่เจอคือสิ่งที่เราเคยทำไว้และกำลังชดใช้คืนเจ็บแค่ไหนให้นึกย้อนให้ได้ว่า เราต้องเคยทำกับคนอื่นไว้เท่านี้หรืออาจจะมากกว่านี้หลายเท่าก็ได้ที่เจออยู่คือการใช้หนี้ซึ่งมันจะหมดและบรรเทาไปในไม่นานตั้งจิตสมทานรักษาศีลข้อสามอย่างเข้มงวดต่อไปจะไม่ทำผิดด้านนี้อีกแล้วไม่ว่าชาติไหนก็ตามทำบุญทุกครั้งอุทิศให้กับคนที่เราเคยทำร้ายเคยเป็นชู้หรือเคยแย่งคนรักเขามาก่อน แม้จะเป็นอดีตชาติที่เราไม่อาจรู้ชื่อได้ก็ตามสวดมนต์ทำสมาธิและกราบขออโหสิกรรมขอให้เขายกโทษให้ทําให้เป็นประจําย้ําสัญญากับตัวเองให้ได้ว่าเข็ดแล้วจะไม่ทําอีกแล้วจะไม่ผิดศีลข้อสามอีกแล้วจะตั้งต้นเป็นคนใหม่รักษาศีลโดยเฉพาะข้อสามให้บริสุทธิ์ให้ได้การร่วมเผยพระธรรมะ ฟังธรรมะให้หลากหลายเป็นประจำจะทำให้เกิดปัญญาและมองเห็นความจริงได้ชัดเป็นการทำบุญแก้กรรมให้ตนเองที่ง่ายที่สุดเพราะจะทาผิดจนต้องทุกข์อีกก็เพราะขาดปัญญาและขาดสติเมื่อมีบุญมีศีลทำดีให้ถึงพร้อมเชื่อมันได้เลยว่ากฎแห่งกรรมจะจัดสรรคนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาให้ในเวลาไม่นานแต่ห้ามทำดีด้วยใจโลภอยากได้คนดีมาเป็นคู่รักนะครับ ของดีถึงเวลาจะมาเองแม้อยู่คนละมุมโลกก็ตามสําหรับคนที่ทำกรรมร้ายแรงจนอภัยได้ยากอาจต้องบวชถือศีลครองพรทมจรรย์ครองชีวิตโสดเท่านั้นถึงจะเป็นการแก้กรรมที่ผ่อนหนักเป็นเบาได้จริงบางคนเนี่ยกรรมหนักชนิดที่ว่ามีคู่เมื่อไหร่ต้องโดนนอกใจเมื่อนั้นไม่มีทางมีความสุขกับชีวิตคู่ได้เลยซึ่งก็ไม่ควรเสียใจหรือเสียดาย เพราะต่อให้เป็นคนที่สมหวังกับความรักวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องทุกข์ใจแสนสาหาัสเมื่อคนรักตายจากไปเช่นเดียวกันโสดก็แค่เหงาแต่คงไม่เศร้าปริมจะขาดใจเท่าคนรักตายต่อหน้าหลายคนอาภัพรักเลยได้ดีทางธรรมะก็มีถมไปและอาจสุขกว่าคนที่เขามีคู่อีกเป็นล้านเท่าก็ได้นะครับ แนะนำเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทำบุญให้ถูกด้านให้งดฟังเพลงเศร้างดอยู่ในที่แคบหรือสถานที่เดิมๆที่กระตุ้นให้คิดถึงพยายามอย่าอยู่นิ่งๆให้หากิจกรรมเคลื่อนไหวออกกำลังกายเดินเล่นในสถานที่อากาศดีๆถ้าเดินแบบเจริญสติไปด้วยจะดีมากโดยให้ระลึกรู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายหรือขวาอยู่สำหรับคนเพิ่งเจ็บใหม่แทบทนไม่ไหว ก็มีวิธีเร่งด่วนนะครับโดยการพึ่งยายาในที่นี้ไม่ใช่ยาเสพติดนะครับแต่เราสามารถหาได้ง่ายเช่นพวกยาแก้แพ้ที่กินแล้วไม่อันตรายทำให้รู้สึกง่วงซึมหรือบางตัวก็ทำให้หิวข้าวเช่นไซโปเฮปตาดีนหรืออีกตัวหนึ่งก็คือดอมิรกยี่สิบห้าอันนี้เป็นชื่อการค้านะครับตัวหลังนี้จะดีกว่าหน่อยคือกินแล้วหลับสบายแล้วไม่หมึนงงยาทั้งสองตัวเนี้ย อย่างน้อยก็ยังดีกว่ากินเหล้าหรือเสพยาเสพติดนะครับเพราะอย่างตัวเซโพเฮตัดินจะทำให้ง่วงในสามวันแรกง่วงมากจนแทบไม่คิดถึงความทุกข์อะไรนะฮะคือหลับอย่างเดียวแล้วก็หิวข้าวมากอย่างน้อยการกินได้นอนหลับในช่วงแรกบ้างก็ยังดีเพราะถ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับจะมีผลต่อสมองและเพิ่มความเครียดจนคิดสั้นได้ง่ายขึ้นอีก ยาแก้แพ้กลุ่มพวกนี้สามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยาทั่วไปนะครับเพราะเป็นยาไม่อันตรายความสําคัญของการแก้ปัญหาหลายอย่างอยู่ที่การอดทนรอให้เวลาผ่านไปไม่ใช่สารพัดเหตุผลที่หลายคนรุมเข้ามาสั่งสอนจนกลายเป็นซ้ําเติมคนที่กําลังทุกข์ใจให้เครียดหนักกว่าเดิมไปอีกคนที่เคยอกหักหน่าจะเคยรู้ดีนะครับว่าหลายคนพยายามปลอบใจเราแต่กลับเป็นการซ้ําเติมอย่างไร้กาศอย่างไร คนกำลังอยากได้คนรักคืนก็ดันมาบอกว่าโอ๊ยคนนี้ยไม่ดีหรอกปล่อยมันไปเถอะช่างมันไปเถอะหาเอาใหม่ดีกว่าเดี๋ยวก็เจอคนดีกว่าก็ในเมื่อใจมันยังต้องการคนเก่าอยู่มันไม่ฟังหรอกครับยิ่งคุณไปบอกให้เลิกให้ตัดใจมันยิ่งทําร้ายทําให้เขารู้สึกหมดหวังมากขึ้นบางคนเนี้ยนะครับอยู่เฉยๆซะดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาทุกข์ก็พาเขาไปเที่ยวให้สบายใจซะดีกว่าหรือพาไปทำบุญจะดีกว่า มาพูดจาปลอบโดยที่เราก็ไม่รู้คนที่จะปลอบคนอกหักได้จริงๆเนี่ยต้องเป็นระดับโพชจิตแพทย์หรือคนที่มีความสามารถในทางด้านจิตวิทยาจริงๆเท่านั้นนะครับเรื่องของใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคงไม่สามารถอธิบายได้ครบถ้วนในเนื้อพื้นที่อันจํากัดนี้นะครับขอแนะนำเพิ่มเติมให้ลองไปฟังเสียงอ่านหนังสือรู้จักรัก ซึ่งดาวโหลดได้ฟรีในโจชัวดอทที่ผมอัดเสียงไว้นะครับหมายเหตุอีกนิดหนึ่งทิ้งท้ายนะครับยาไซโปเฮปตาดีนเป็นยาแก้แพ้ปกติใช้กินครั้งละเม็ดวันละหนึ่งถาครั้งก่อนหรือหลังอาหารก็ได้กินแล้วจะมีอาการข้างเคียงคือทําให้ง่วงมากในสามวันแรกแต่ก็อาจจะมีใจสั่นงดหงิดเล็กน้อยหลังกินสามวันแล้วจะไม่ง่วงแต่จะหิวข้าวกินข้าวอร่อยขึ้นถ้าหยุดกิน 1-2 วันแล้วกลับมากินใหม่ก็จะง่วงอีก มีการนำยาตัวนี้มาขายราคาแพงมากในอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อเป็นยาช่วยอ้วนโดยจ่ายพร้อมวิตามินบีรวมทั้งที่ปกติเม็ดละบาทเท่านั้นแล้วก็จะเป็นอันตรายมากสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีควรหลีกเลี่ยงเพราะมันจะไปขัดขวางกระบวนการเจริญเติบโตได้แต่ก็น่าแปลกนะครับที่ยาตัวนี้อาจจะมีผสมในยาเจริญอาหารในเด็กควรจะตรวจสอบให้ดีด้วยนะครับก่อนจะซื้อยาเจริญอาหารให้เด็กเล็กทาน มียาแก้เมารถและยาแก้แพ้อีกหลายตัวที่กินแล้วส่งอาการข้างเคียงให้ง่วงนอนหรือหอิวข้าวซึ่งปลอดภัยหากไม่ได้กินเป็นประจำลองถามเภสัชกรดูได้นะครับเวลาเจ็บเจียนตายบางทีมันทำใจยากดังนั้นจึงแนะนำเผื่อเป็นตัวช่วยในายามครับขันซึ่งดีกว่าทุกใจทนไม่ไหวต้องฆ่าตัวตายหรือไปเสพยาเสพติดชนิดอื่นแต่ควรใช้เท่าที่จาเป็นอย่าใช้ต่อเนื่องนานเกินไปนะครับ แนะนำเพิ่มเติมสำหรับวิธีที่อาจจะดีที่สุดสำหรับใครหลายคนที่มีปัญหาชีวิตในทุกด้านเจ็บเจียนตายนอนไม่หลับชีวิตไม่สดใสจิตใจหดหูอยากฆ่าตัวตายมองโลกแง่ลบไปหมดแนะนำให้ไปหาแพทย์ทางด้านจิตเวชโดยตรงจะดีกว่าที่สุดนะครับอย่าคิดว่าต้องรอให้บ้าแล้วค่อยไปหาแต่แค่ความเครียดปกติเนี่ยแพทย์ก็สามารถช่วยเราได้ในทุกด้านนะครับแม้แต่คนทำงานหนักมาก เป็นโรคเครียดโดยไม่รู้ตัวกันก็เยอะอย่าคิดว่าต้องบ้าถึงหาหมอแนวนี้จริงๆคนในปัจจุบันสังคมเมืองที่มีความเครียดสะสมควรพบจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติไม่ต้องอายใครนะครับในประเทศที่เจริญแล้วเขาไปหาจิตแพทย์กันเป็นว่าเล่นเป็นเรื่องปกติมากซึ่งคุณหมอจะมียาช่วยให้ผ่อนคลายหลับง่ายและช่วยเรื่องบรรเทาทุกข์ทางใจได้ดีมาก คนอกหักผิดหวังอะไรก็ควรไปหาแพทย์ทางจิตเวทนะครับซึ่งท่านจะช่วยได้จริงๆดีกว่าไปหาทางออกกันเองอย่างน้อยยาเคมีก็มีผลดีในช่วงขับขันของชีวิตช่วยปรับเคลื่อนสมองให้สงบทำให้จิตใจอ่อนโยนลงทำให้ความทุกข์น้อยลงพอผ่านไปได้สักพักค่อยมาหาทางทําใจกันซึ่งคนประสบเหตุใหม่ๆหลายคนสู้ไม่ไหวหรอกครับปัญหาบางทีมันเยอะมากต้องจ่ายยาเท่านั้น ถึงจะเอาอยู่ยังมีการยืนยันจากแพทย์หลายท่านนะครับว่าแม้แต่เด็กบางคนที่ก้าวร้าวไม่ใช่ว่าเด็กดื้อนะฮะแต่ว่าเป็นเพราะเขามีปัญหาเคมีในสมองหลังไม่เท่ากันหรือแปรปวนต้องพึ่งยาเท่านั้นให้ดุด่าตีให้ตายก็ไม่หายก้าวร้าวไม่หายเกเรบางอย่างก็ต้องพึ่งแพทย์นะครับอย่าคิดแต่ว่าทาใจอย่างเดียวก็พอโดยเฉพาะอย่างเด็กวัยรุ่นบางคนที่เคยเสพยา ก็จะมีปัญหาเรื่องสมองก็ควรจะไปหาแพทย์เพื่อจ่ายยาที่ปรับคลื่นสมองด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหากับคู่ครองที่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาอยัางไงดีแนะนำให้สวดมนต์ทุกวันทำบุญให้หลากหลายและอธิษฐานจิตหลังทำบุญดังนี้นะครับด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทำไว้ดีแล้วหากคนที่อยู่ด้วยหรือคบอยู่ขนาดนี้ ถ้าคบต่อไปจะมีสุขมากกว่าทุกเป็นบุคคลที่ไม่่วงความเจริญส่งเสริมใม้ทําดีได้มากยิ่งขึ้นก็ขอให้ได้รักกันครองคู่กันไปขอให้เขาปรับตัวเป็นคนดีขึ้นขยันเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นคนรักที่ดีแต่ถ้าหากอยู่ร่วมกันคบกันต่อไปแล้วจะมีทุกมากกว่าสุข่วงความเจริญและพาแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตก็ขอให้ต่างคนต่างไปโดยไม่มีใครเจ็บช้ำน้าใจ ขอให้ตัดใจจากกันได้โดยไม่เหลือเยือใหญ่เหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนขอหมดเวรหมดกรรมกันแต่เพียงนี้ขอให้ต่างคนต่างไปดีมีสุขต่างคนต่างได้เจอคู่ครองที่เหมาะสมกับตนเองในเร็ววันนี้ด้วยเถินอธิษฐานย้ำๆด้วยใจเป็นกลางปราศจากความโกรธอาฆาตส่งแต่ความปรารถนาดีให้กันและกันทำบ่อยๆแรงอธิษฐานมีจริงนะครับ ขอแค่ตั้งใจจริงสามารถอธิบายได้ด้วยหลักจิตได้สำนึกสำหรับการอธิษฐานแนวนี้ผมเคยแนะนำไปหลายท่านก็ปรากฏว่าได้ผลอย่างรวดเร็วมากนะครับบางคนนี่ได้ผลข้ามวันข้ามคืนกันทีเดียวของพวกนี้อยู่ที่บุญและกรรมเก่าด้วยนะครับว่าเราทําบุญไว้เยอะมากแค่ไหนทํำบาปไว้เยอะมากแค่ไหนถ้าเราทาบุญไว้เยอะการอ้างบุญมาอธิษฐานจิต จะช่วยให้ส่งผลเร็วมากขึ้น